ต้องเปจำไอ้ตัวจริมันไม่มีนะที่แนแล้วที่หลังคอยลาคาเข้ามาเนมันไม่เอาเลยเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้มีคกดแขงันคุ้มค่ากดแข็งเฉอยู่นี่ครับทนี้ต้องจาตัวนี้ครับมันมีสี่บนตัวจริงๆบอกคุ้นดีนะครับที่หลังผรบนี่มันไม่ออกมันร็อก็ทีไหนร้อนอีกเป็นคโลก งเงินหนึ่งบาทกโล้านร้อนเท่ากันตนัความร่วมมันเท่ากันเจโลคเงินึ่งล้านบาทกใครกันหนึ่งโรกเงินสองบาททุกทมาทนี้อย่าไปยุ่งมันกับเรื่องความคิดโลกนะให้เรารู้สึก้าไปในตัวซึ่งไม่มี ค, คํามร่วมีนี้อยากได้ยนะังต้องเห็นเห็นได้เลย โกรธก็ไม่มีเลยจริงๆไอ่กอาจจะหลงนิดนทุกปีก็ได้นั่นฟังมพูดเข้าไปในภาษากลังพูด เ, เลยแล้วก็หลมแต่ถ้าเรารู้ตัวเองต่อเ น, นื่องมันไม่มีอยแล้วิงโลกคุณโกรธกหลกมห ล, ก, ล ก, ก็ไม่มีถ้ารู้ตัวเองที่ทำให้คุณทำให้มากทำให้บอลทำให้ติดตอนน่อจนเราต้งจำตัวนี้ได้ จำตัวไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความโลโทีนี้พอปัททะอารมณ์ไอความโลภความโกรธมันจะเกิดขึ่นครับกเกิดแต่เราจำไปนี้ได้นีมันสลับหลุดมันกลับมาที่ตัวนี้ค้าหมาเราเลี้ยในบ้านวันหนึงนเราเปิดประตูงแง้มทิ้งไวมันออกมานอกบ้านล้หมาใหญ่ไล่กันมั น, มม น, มนเลยงจุกขึ้นมาทั้วันุกเจ้าสงารว่านีนักปฏิบัติคนดูมันต่าเข้าไปนอง ไม่ได้หมายความวิงแย่อะา้จงมีเ้ามีหัวมีขาสี่ขาหดเข้าไปดองแล้วเสือทำอะไรไม่ได้เสือนียอมแท้คือไม่รู้จะกินตรงไหนดังนั้นเมื่อเรารู้ตัวนคือเพอะที่หดกลบตังยืดโดยการยิ้มที่หดกลับในความเป็นยิ้ เพราะว่าใจนั้นไม่เป็นหญิงไม่เป็นกที่จะไปนั้นไม่หญิงไม่ใชชายแต่นิมิตบางอย่างบ่งบอ ก, บอกนีเป็นี่นเป็นเพืนู้แไม่จริงเลยเขาที่บอกว่าจิตหญิงจิตชายนี่เรียกว่ากันเ้งเราลองคอยตามจิตไม่เป็นหญิ ง, ญงจิตคื็นชา เ น, นื้อเราก็กดกลัตัว น, นี้ไม่มีตัวเราผมบอกแล้วคำว่าจิต ใ, ใจหรือจิตวิัต่างๆเป็นอันเดียวมดถหมายความพอมันรูส้สึกตัวสดๆก็เข้าถึงใจถึงใจนี่คือจิตวิารยที่นทร์อุเงินนะทีตากาเป็นด้านเดียว เพราะรอบวงปรจรจังหวะพอดีเราไม่เป็นด้านแต่ปัจจัยด้านหนึ่งก็ปัจันดวงเดียวแต่มันมีสองด้านจิตวัตถุเป็นเดียวจะเป็นอันเดียวม้นเดียรไม่ได้มันมีสองลักษณะจิตและอารมณ์จิตและวัตถตุถ้าไม่มีวัตถุ จิตก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยที่ไหนเหมือนไม่มีฟันไฟมารุกไม่น่าเลยถ้าไม่มีจิตไม่มีสภาพใดเป็นะรับรู้โลกเ น, น, นวัตถุดังน้จิตวัตถุนีมาด้วยกันพขเข้าถึงวัตถุเขเข้าถึงจิตปฏิบัติแล้วเขจะเข้าใจความตอนอนี้เขมารู้สึกที่หัวใก็จะรู้สึกที่หัวใจนี้มากยก ถ้คนยกถูกดิถูกแราดสุุบุบหัวใจเหัวใจไอเป็นหัวกัตัวไม่มีัเราเรียกว่าหัวหัวกไปถูนสีุบุบข้มาังนั้นราเข้าถึงธรรมชาติของชีวิตจิตใจาทรชีวิต ท, ที่มเงนินรมคือความรู้สึกตัวแล้วมันอาจจะสุกก็ได้ทุกก็ได้ทุบ ก, ก็ได้นะรบอกก็ได้ตอนนั้นเราก็อบริหารไม่สิตแี่ความรู้สึกตัวนี้นที่ที่ตอที่อไใช่น้ำนขุ่นไม่ใ ส, ใส้ ต, อตอนน้องพมงด้วยของการหล่อน้น แต่ที่ยากคืปีนนิสัยของเราทางนั้นไม่ยาวไม่ไกลแต่การเดินวนๆนี่มันอ้อมไปอ้อมมาเลยยุ่งกันใหญ่เลยแต่ถ้าเราเดินตรงๆนี้ผมว่าไม่ยากแต่คุณนองทาง้านมันสอบซั บ, บซ้อนสินะเล่นไม่ต้องการสิ่งง่ายแล้วดูแคล์มาสิ่งง่าน่ายเกินไปน ว่าความซับซ้อนเนนั้นเลยต้องการอะไรที่มันซับซ้อนด้วยที่คนที่แต่งตัวมากให้แต่งตัวธรรมดาเนี่ยรู้สึกลำบากทั้นท่านนี่นม่น้าจิงแต่เื้อตัวเางเกงตัวน่าไนสียเยมันลำบากสหรับคนที่ซับซ้อนงรู้สึกคล้าไม่ได้แต่ตัวเลยตรงหวนใสทุกนิ้วไม่เลจริงรรู้สึกมันหมอวน เรจเห็นโลกของันติสุอหนึมากจริงๆถาเราคนแตตัวผมดูผิวสยหานแต่งัวเมไม่เล่นมิวัแปลกีเล่นอาชเขียวปั๊บเลผมไม่เข้าใจว่ามันสูญทรีที่ตรงไหนแปลกผมไปลองถามเพื่อนเป็นอาจารย์ในภาษาจีไม่ต้องทำมันเขบอกมเชื่อมั่นโดยเองดีพอได้ทำมันไหมผมไม่ก็ใจวลาเขเชื่ออะไร เชื่ออะไรเียดผมเชื่อสติ่เชื่อเลอาไรเสีดเรื่องคิด่นเลี๋ยว่ง่านี้ที่ัของเรื่องเนี้ของรื่องที่ไม่่หลักประกันที่ท้ยิคนทุ่มเในี์ค้อะไรำนนี้เรื่องนี้เขารื่องที่มีสาระอะไรที่คา แล้วมนค ja. ิว่าสวยแสอะไรนี่นะแล้วเนผมก็มีมีความรู so ท do, ้ทางศิลปะของผมดูแล้วมันคล้ายผีมากแต่ว่าเขาคิดว่าสวยช่วนนีนเป็นสิ่งที่ใช้ภาพสวยขตงผมถ้าคิดว่เป็นสวยมันคงจะสวยเทาตำรเอกนักปีละครางย่อยเป็นชิ้นสมรีบุตรไปตัวเองก็ได้ยินก็คิดว่าผู้หญิงเไม่ยิน ทีต่ต้องทำารเดยวผมจะพููกข้อม่เรื่องปฏิบัตินี้ต้องทำมากๆครับ่องปัญหารัฐบาลนทผิทุกคไปให้โยนแล้วบามทีผู้น จะเรืร่องของธุรกิจอื่น้วจะมองที่รืองการเป็นตัวเกษตรกรที่จริงตัวเกษตรรเข้าประชาชนไม่ให้เกษตรกรต้องเกษตรกรนั้นมรรมเมองไปสูะชาชนด้วยว่ามีส่วนร่วมในการที่เรื่อขึ้นมาเกษตรกรขึ้นใช้เหมืนจริง ในสมัยนี้พระนางจีนมีอะไรจริยธรรมจริยธรร ม, รรมย่างพี่เาว่าลูกน้องเชื่อพี่ทันยาเชื่อสามีน้องเชื่อพี่ลูกชายเชื่อเจ้านายถูกจไปอ่อย่างดีอย่นั้นที่ว่าพรพที่เรารู้สึกว่าพรกนาสีนนั้นทางวิกรรมน้นางวิกรรบพวก แต่ชาญวัาเดยเนี่ยเขามีระบบจริยธรรมที่ดีเยี่ยแต่ว่าผิดทลาดทำผู้ทำอย่างนั้นจัระบบเป็นช้นอย่างนี้นผู้นํควาสามารถล่ากระบว น, นกทํทำองคราเพด้บมางังนั้นจริยธรรต้องสงวนไม่ใช่สิ่งที่ทจะตัดสินอะไรได้เป็นคนดี่ากบางทีทาสิ่งที่เลวอยู่ดีๆถึงริสเตียนไปปี ท, ที่เมรกาตอนนี้ถือว่าพวกนั้นไม่มีพระเจ้าจนไม่มีพระ้า น, นัเลยบังคับให้รับนัจสิงพิจาร ว, ว่าพวกนั้นเป็นนักสิงที่จริงเขามีพระเจ้าของเราอยู่ต้องไปเรีงน่าหงินค่าในนามของพระเจ้าดังนั้ความดีความเร็วมมนี่มันสับสน ม, มันเดียงางีความเร็วนี้ที่หนึ่งจจะดีก็ได้ความดีที่หนึ่งอาจจะเร็วก็ได้ เยอรมันทังนั้นประชาชนนี้ไม่เฉลียวใจแล้วว่าความดีนี้มันจะสร้างสิ่งชัรายขื้นเหมของเรคนเลื่องสายที่ได้เราเป็นปศาสตราที่หมโดโนรธชาวชาวเยอมันแ้วีใครเฉลียวใจแลว่ากระบวนการทั้งหมดนจะนาชาติาเป็นชาติล้มนทคำพูดที่นนนเราเป็นสมองน่าโลก เรองสู้วันวันหนึเรานเรื่องห น, น้าตกัา น, ห, า น, น, นะนหน้าสังเกตุสองวัวนเดียวดีกับรารัฐบาลแจกฟ้อนเซอร์นินไปเซอร์มาสองวันช่วยใจนี่ไี่นี่ปชาชนบ้องดาวไม่ไม่ไม่รู้ไม่หนุนนี่ตลกไหมผมมองก็ตลกมบบากเลรัฐบาลดีกันคือพวกคุนัาสองวันเปนผู้ดี เยอะจัดเซงมาสารวันเพียรหงเงนเอาเงินสนุกแต่สเดี๋ายพอพวกมันขัดกันยุให้ให้ชาจนตายเราเกลียดคุณยืนผมไม่เคยเกลียดชาญยิ่ง ม, มีเรื่องอะไเกลียไม่รู้จักเ้าเราเจอกันได้ไหแต่ไม่ชอบนโยบายลุกลามขึ้นบ้านของยืนคนนใ่ไหม่มีที่มาจะให รัฐบาลมาช่วยผมเกียดชวเยอรมันผมก็เกียดเกลทำไมเนี่ยเขาเาเป็นมนุษยเหมือนเราเป็นเหยื่อของบวมนกันเป็นเหยื่อมันเป็น้เท่าเท่ากนอย่าง น, นั้นปัญหาหน่วยัดเจ็บรารับเปนหามากแต่นี่เดียรารับครอบปัดเจ็ปัดเจอบการเม็ดฝุนเม็ดเดียที่ถูกบดที่นี่ไป นักศึกษาทุกท่านสีรษะศีลวิชาที่คนไม่ได้เข้าโรงเรียนตางคนโง่มันไม่ใช่เรื่องของเขาแต่เรื่องที่รักจากขึ้นที่เป็นแบ่งคนออกเรื่องหมดนี้หมดสุกควาหมดเป็นชาติชาติหนึ่งก็คือเชื้อเช้อหนหมด มีบาลมีกดเกมี่ยพยาามครอบนำสมาชิกของบบกให้รู้สึกต่างๆางา่างนะครับบางอย่างมันต้องบกเขาเล่ากหรชอบยังไงที่บอกมีมีชาวนาป่วยมากกับกลางเ้ยเอ้เอเอเอกลางกัาคืนนอัญยาเขาบพี่ดีนั่งข้างๆนี่รู้สึกต่งางตเวลาห้ ยี่ร้อยดีมีมี a n บ่อยขับนยาขึบ่งพระก็จอดบานเรือนแค่ชื่พวกเธอเป็นอะไรกันกลองนลาจารย์ชาวนาก็ฟัพี่น้อบอกพวกเปอะไรยังอยู่ชิบูเงินผมก็มีพอาศัยไป คำถามแรกของี่น mm ้พ hmm. ่อคือาเป็นน kind of ักสมีการนสือติเรนีการจะนำองผมเป็นโปรเตสแตนต์อ็เป็นเขาระองค์แก่สิพ่อขับรถเลยนี่นี่จะนาร์กเนี่ยก็นาอนตราเนี่ยคุณพ่อมีสองคนน่าอินตราโปรเจคนร้านี่จะนาเรื่องเบลล์ูนบอกเลนีรก็เข้าใจันี่ เราไปเรื่รองท้าวมาที่นั่นน่นทุเลากหเงี้ยเดี๋ยวเราไเรื่องท้าวมาแล้วเจ้สื่อและซีแหนี่ชาวด้วยไอร่อนครับบอาผมเป็นแคสติรบเราได้ว่าอ้าารองจที่ีเรถไปเลยนี่นมีชานาจนๆเดินเดินไม่ท้าวพิ้ง เ, เรือเ้าดี เอบงกับรรมชาติอลงในบ้านเรื่องแบบคนที่ไม่เป็นศาสนาเลยกลับมีรู้ทุกทสิ่งเห็นคนป่วยเป็นคนป่วยแต่ว่าพระสองนิกายเห็นคนป่วยเป็นสัตรูสตรูทางวัิทาวัตแล้วเราเป็นใครเราน เรเป็นโน่นเป็นเอกชาติโนนโดยที่ทเราไม่รู้ว่าเราสุกมองันที่จริงเราเป็นมนุษย์แล้วคนชาติอื่นเราเปนเพื่อ น, นีุ้ษย์เป็นนักศึกษาสมองเป็นแง่ปฏิเสธเข้าสำนักมีนะไรเริ่มเป็นประความกับสำนักนนอนทันทีโดยโดย ท, ท ย, ยที่ไม่ทันใจแล้วน้ำิใจเมียตายหรืออะรเริ่มพูดจะไม่รู้ ที่น้องกันไนี่ยมการน่ไปัำเรื่องนี้กกลับปเลยมันกลายเป็นเรื่องมันกลายเรื่องอาชาีงทีงเ่เลวเลวร้ายยิ่งกว่าคนไม่รู้สักกัุแ่ไห้งรวัง ม, งมากแต่ผมมัน่นัจเราจะเรียนศีลเราจะขอนถอนนี้เพราะมั น, ม, น ม, มีรักที่ไม่มีนิการเลยผมก็ไดใจอย่างนั้นไหมรูปมีเนือ ลูกนี้น้มนี้มันรับเชื่อรมันรับเชื่อธรรมชามันมันปฏิบัติเท่าอ่านี้จริงอยู่หรอเปล่าจะมีคุณบอลจะรับยึดถือแต่เมื่อสติเต็มตัวมซึ่งยึดถือไปได้มันเป็นตัวมันเองอยู่งบททุกบทศาสดาทุกวงสอนเราเป็นตัวนเอแล้วก็สอนเรามห้ต่นรานคนทุกชาติทุกภาษาทุกาษาจิงยังสอนทีิง่ายที่สุดเพรา่ีงสื่อวาทุา แต่ตัวการที่มาสับเปลี่ยนนคือหมดที่ถูกมองเนในทุนช่วงหลังแลเพื่อสวงหาประโยชน์จากสัตว์ีใช้ผู้คนเพื่อเป็นเหยื่อของันแลไม่นำพาแล้วก็แบ่งในค่าในข้อน่งสิบข้อมีข้อมีข้ออายท่านเป็นคนยุส ท่นไม่รู้ว่าโลกนี้กลมท่าไม่รู้่งสืออะไ่งีผมก็นคบอกท่านมันเป็นการแสดงความเห็นใจโลกกลมได้ยังก็เห็นทนแดนอยู่นี่ก็รู้แต่แล้วท่าก็บอกว่าไม่สำคักลมไม่แการรู้ตัวไม่เกี่ยวกับกลมไม่แบนในความที่ท่านไม่รู้สื่อท่านไปที่วัดคริสตียนท่านสาวกไปพูดกับพระที่นั่นพูดวา ท่านผ้ท่านรไว้าบกทเจ้าปีชีจรเจ้าสอนอะไร่เจ้าสอนให้ตำรวจดูรับเปิดใจรับคุณพ่อบอกว่าอมาก็สอนอย่างงั้นเหมือนขอจำภาษาหนึ่งไม่ได้หมายรับร้องไม่ได้คุณครูลาวครไม่เข้าใจตรงไหนทุกีกกันมื่อเราสอนเหมือนกันคือทางใจท่านรู้สึกมาก แต่ไม่ใช่เพื่ออย่างเดียวคนเเรา่ได้รู้ั้นริงๆพอเป็นคำธรรมดาๆไม่เคมีท่าตีมีระดที่ทำอะไรั้างมีเรื่อี่รู้ไม่รู้ืองมีเรื่องธรรมะนใจมีเรื่องไม่เช่เรื่อง g e n i u ช่เรื่องความสามารถความรไมเเรื่องใจที่ซื่อเ ก็จากผมเจอทั้งเ่อนแรกขอวังใหญ่ผบนจองวังเว่เพื่เชื่อสายแก็นหงซึ่งไม่รู้อะไรเลยั้นจะโลคกรมก็ไม่รู้จะนเข้าท่านจนที่ผิวอะไรผมมีความรัหายรั้งทีเดือนัน แต่ตอนนั้นผมไม่เชื่อ mat, มากทังไม่แน่ใจเห็นความไม่คงมั่นมีวันหน่งรู้สึกอยากรเปาผไม่อยากใพต้องดูภาพจริงทีมี่อยู่ด้วยการ็นตาไม่าก้คนคนอยู่ด้วยความเป็นศัตรูจนตายจากสิ่งนี้มีอะไรที่สัญอยนี้ ไม่ได้ีความนจริงของชาติกสัตว์นี่สัตว์บางตวของคู่มันเปลนุ่ม้ผมจไม่เห็นสีัตว์บางสัว์เหนั้นกะไม่สู้เป็นทุกเรื่องเพราไม่สู้กยรัมแล้วก็ไม่มีกระบอกจริรรตรวี้จะสมส ท, ท, ที่ตัวพ่ไม่เปนไรพ่อไม่ชื่พที่เจอแต่ทุกๆคงนระบบนี้ยมันบอของชาติซึ่งมีจริยธรรมอยู่แต่สังคมมนุษยนี่มันสงคงมองสัตรูด่าบางแห่งท่านมีตาพูนสต ร, 3, 2, 3, 2, 1, 10, รทีท่มีสามีต้องมีิคนี สามีมันนั้นก็ต้อยัน่าสามีไม่น้อยที่ห<ม>ักการตัวิบบาทเราตัวหลักเลยนะลักที่โอดีมีเดียมันมีความเชื่อกิจกรผม พ, พูดไม่ได้ไม่ได้บอกบอกมึงเพว่าจะบอกวหรือสามีมีความสา ม, มารถเป่นไท่สันายาต้งหลักหลักกันฝัรุ่เน คนเราไม่ใช่คนคนนี้ว่าที่จริงๆบางคที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าดินเข้ไปมันไมีเลยตนมันปัญหาเสร็างานเศรษฐกิจและที่พื้นดินเดียวน้เนพนาารมีมีการศึกษา หลาชนิดมากมีรนนี่มีวางคนทันพวกที่อยากฟังนั่นเองครับซึ่งซึ่งคนนั้นหลังจะไม่อาจจะไม่เชื่อเลยในการวางคนทการฉุดสาวไปอยู่ด้วยแล้วก็ออกรูปแล้วค่อยมาขอหมาซึ่งจะทำนิ่ซึ่งไทวารัานไ่เห็นเราแตว่าว่าเอ็งชอบูกสาวมัน แม่ยายเห็นด้วยข้าวตามเห็นด้วยมีปัญาเป็นที่ต้องวางแผนจุดท uh uh mm hmm. ี่เจ้าสาวเป็นใจน่าเป็นพิจุต่นี้ม่ที่ไหอากันนะผมมีลูกประจูงหลานรอกขามาคุดจ้าวินโดยมยิงเขก็่านที่ยอมรับกันเลยวิา ปลสมรรถแบบชมงนารุ่นปลูกสมรรถหนาแงถึงมองในแง่ที่เท้ๆเรื่องปสูกษที่จริงมื่อเกิดความสำคัญทางพาธิวิทยาต่างๆก็ความอยู่รอดของันธุนนนนน์ีสำคัญมากทั้งในเชิงคนาตึงเครคาอะไรถูกรุกรานแย่งที่จากธรรมล้ม่ล้มถอดอะไรความหวดด้วยสูงสุดของ ต้องจับสังการสมรถเองดันพื่ อ, อยายมาชิกขเราวที่สุดาลานีนอาา้อยู่ที่เกาะพีา่มนเยผมค่าชาเจ็บก่ที่นอนเจาสมเป็นทั้งหมดผู้ชายทุกคนเปน็นสามีของหญิงกหญิงเป็นปัญญาขาทุกค น, นทีค น, น, ค น, นลูกออกมาเน ลูกไม่รู้ว่าใครคือพ่อแต่รู้ว่าใครคือแม่่ไหมครับฉะนั้นสังคงเช่นนั้นม่ดีนีเป็นกาีนิดหนลูกไม่รู้ว่าใครคือพ่อนแยกไม่ออกแต่โดยการสมรสแบบนี้พ่อพันในขี้ยาอย่างรวดเร็วยีเอารสื่อทุกทุกผู้ชามีแม่ถ้าเรามองดูาด้านมหาสมัยน Mileage, แค่หญิงแชายงชาแล้ว่นี้กชายหญิงม่มีผู้หญิงไม่รู้ใครจะเกิดราชายก็เกิดจกหญิงชายนีบงีู้สูที years, ท่พูดว่ับเอ่อ้นงนะเด็กชาหญิงค่คุณักชายค คนใีมายคนกำเนิดคนในผู้หญิงเดี๋ยวนเาดนเขาาูงดนหาผูนคนีผู้ชายนั้นรักความเป็นชายหญิงรัก่นชายผู้ติชายชายสนใจเื่อสี ริดตาเป็นลูกทรงไม่ได้ยินม่ได้ลิ้มรสแล้วก็ซาบซ่าผม่าตามขุศน์ไม่ได้ว่าเอ า, าบซาเยิ้มหอาัน้นหญิงทีู่ก่าชายทปลกแต่ไ้ทำกับกันถ้าชายไม่รักความเั็นชายก็ไร้ชายก็จะมีค น, ท, นที่ประทุงเหตุีความรักที่จะเป็นชายก็ะจะ ผู้หญงที่เป็นญิงนกากผิสน์นี้ริงรชอบที่เป็นผูชายรับอารมณ์อย่างผูชาแล้วเราเป็นค น, ก, นกหิงูรักทามงีเป็นต้นุกเกหญิงกี่ส นะพี่ๆอาย24ีมเป็มเลยนพวกอาบ้่าเี่ยวกนี้าไมพวกเราลองลองทเละรย่างเ้ยพนั้นนงเป็มเลยนะแต่เขาไม่รู้สิว่าเขาเป็สาค ม, มีใครสอนที่ไหมคทุกวันนี้เราจําเด็กแต่ดูใ้ดูวิเป็นเด็กเนเกิดป ร, รการที่สับสมทา ง, ทางเพศเกนมากที ที่เด็กเล็กเราเร่มตเด่มเลีเริ่มทำเท่าเริ่มผมเริ่มสอนเมื่องเด็กเรื่องหนุ่มทาร์านสาวู้ผมอยมผมถามคุเขาบอกโอ้ยนี่เด็กอายุสิบเอ็ดปีกรามีแฟนแล้วหนุมวยก็บอกมซึ่งปรากฏการนี้แปลกปสมัยนนอายี่สิยังไม่เคยคุย้ชายนานน ยี่สิบห้มีเรื่องที่เราศษามีเรื่องยือความรักมีเมจตค้าความสุขความทุกข์ภาพความยุติธรรม อย่างนี้คป็ประเด็นย่นอยกฟังก็ได้ไม่ังก็ได้ใครอยากปบัติไม่้องังผมก็ฟังไปแล้วก็เท่านั้นเองที่ยายานคนที่ปฏิบัติอยู่เข้าใจเรเองนะั่นเดินต้องฟังต้องถ้าเรจิตใจเปิดกว้างจะเป็นจริงนีเง้เป็นความสาคนทหงลังแดจีนไท ย, ยก็เหมือนกับเห็นเราแล พัศนธาที่เกี่ยวไดอียวได้ดีวพรเนเอาใจจะยอมรับเพรว่ามีคนหลาาลมาเวลาเราจะได้ลอ่น้อมรับนน่น้ทุกขุขาวที่น้มรับอกับุน่าแบบนี้มนมนมนม ย, ย ม, ย ม, มยอมรับเขาเป็นคนไม่รับง่ายๆความจริงเดียวกั น, นับาบานขข่าก นนคนมเมืองนั้นไม่ ม, มีสิทธิออกเสียงไม่มีสิทธิในการบริหันท้งที่กิการกี่นเลียนในการบริหารคารุนโมกาเขาทาาาี่ทำหมากที่สุดผทารอนนันอที่ตัวเราลงไปด้วยกัน แล้วเราเห็นดีเห็นงามแบบจีนนะั้นล้วเราเห็นดีเห็นามนะแบบนนะแต่งางาติสมมติเราได้ยินในข่าการกินฟรีส์กินฟรีต่ามันโดนเรื่องมรรคใจผมเข้าข้างคผมคิดว่าสิงนี้ต้องถูกเพราะจากนี้เพราะว่าเราเคยล้อวงถูกหลายลนะานอยู่แล้วเราไดยินที่นี้เราครหยการเย็นด้วย ม้เราไม่มีเงินทีทองมีจำนวนเอะไรเแต่เราเห็นยุ่งถือว่าเปนาบุญนพระสนาที่บุญเกิดจากทานโมนาสุนเพื่อนําบุญดีเราก็้เวลาเหเราขอได้มดแม้ทงส่งแรงใจองกรไหนทำงาน่เส็งาน่ช่วยเน่อ ทีเดียวไยู่ชื่อคุพิการแล้วคนทีเราไม่คนต้านในความรู้สึกของเาเป็นไว้็รอดที่เื่อเรื่องนิ่งเรื่องเสียแท่งพอคนพิการมาเพื่อส่งความดารามดูให้เห็นอย่างนี้วันนี้เรารู้แต่วการช่วยยังดีการไม่ทำอะไรไรที่คุณทีเป็นดีจิตใจที่อนุโมทนามดีจะดีที่จิตใจที่ต้านสิ่งดีดีก็จะเลวเลวร้าย